พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส2ปองพระสูตรที่49เกพรห ม, มานิมันตานิกสูตรสูตรว่าด้วยการเชื้อเชิญของพรหมพระผู้มีพระภาคประทับนาเจตวนารามตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังถึงเหตุการณ์สมัยหนึ่งที่ประทับณวรพยาไม้สาละในป่าสุภะขวันใกล้เมืองอุ ก, กัตถา ครั้งนั้นพระกาพรมเกิดความเห็นผิดขึ้นว่านี้เทียงยั่งยืนไม่เกิดไม่ตายไม่ตายไม่เคลื่อนไม่อุบัติหมายถึงการเกิดไม่มีความหลุดพ้นอื่นที่ยิ่งกว่านี้พระองค์จึงเสด็จไปปรากฏในพรหมโลกพระกาพรมเห็นก็ทูลเชิญและแสดงทิฏฐิความเห็นของตนในเรื่องเที่ยงพระองค์ตรัสตอบว่า พระกาพรมมีอวิชชาคือความไม่รู้จึงกล่าวถึงสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงสิ่งที่ไม่ยั่งยืนว่ายั่งยืนเป็นต้นลำดับนั้นมารผู้มีบาปก็สิงพรมมาปาริชาตนหนึ่งซึ่งเป็นพรมชั้นต่ําสุดของพรมมีรูปให้พูดห้ามปรามพระผู้มีพระภาคไม่ให้ว่ากล่าวพกาพรมเพราะพระกาพรมคือผู้เป็นใหญ่ เป็นผู้สร้างแลนะได้พูจาอย่างอื่นอีกเป็นเชิงว่าผู้ติเตียนธาสีพูดเทวดาประชาบดีพรมตายไปจะเกิดในกายอันต่ำสามผู้สรรเสริญธาสีเป็นต้นตายไปจะเกิดในกายอันประนีดพร้อมทั้งห้ามพูดล่วงเกินพระพรหมพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูก่อนมารผู้มีบาป เรารู้จักท่านท่านอย่านึกว่าเราไม่รู้จักพระพรหมบริษัทของพระพรหมพรหมปาริษัทชะล้วนแต่อยู่ในมือของท่านล้วนแต่อยู่ในอำนาจของท่านท่านจึงคิดว่าผู้นั้นอยู่ในมืออยู่ในอำนาจของเราดูก่อนมารผู้มีบาปแต่เรานี่แหละไม่อยู่ในมือไม่อยู่ในอำนาจของท่าน ต่อจากนั้นพระกาพรมก็กล่าวยืนยันทิฏฐิของตนอีกซึ่งพระผู้มีพระภาคก็ตรัสโต้ตอบเป็นเชิงเตือนว่าทรงรู้จักคติและชุติหมายถึงอนุภาพของพากาพรมแล้วทรงแสดงว่าพระกาพรมยังไม่รู้ไม่เห็นพรมอีกสามพวกคือพวกอาภัสระพวกสุพกินนาหะและพวกเวหพะละซึ่งพระกาพรมเคยเคลื่อนมาจากนั้น มันอยู่ในที่นี้นานเกินไปก็เลยหลงลืมไปพระกาพรหมแสดงความประสงค์ว่าจะหายตัวไปจากพระผู้มีพระภาคแต่ก็หายไปไม่ได้พระผู้มีพระภาคแสดงฤทธิ์หายไปได้ให้พรหมบริษัทของพรหมและพรหมปาริษัทชะได้ยินพระดํารัสแต่ไม่เห็นพระกายพวกพรมทั้งนั้นก็อจจัศจรรย์ใจในพุทธานุภาพ มารผู้มีบาปก็สิงปรมปาริสัตย์ชาตนหนึ่งให้พูดห้ามปราบพระองค์อย่าให้แสดงธรรมแก่สาวกแก่บรรพชิตอย่าติดในสาวกในบรรพชิตพร้อมทั้งเล่าว่าสมณพราหมณ์ก่อนหน้าพระองค์ที่ปฏิญาณตนว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนําสาวกบรรพชิตแสดงธรรมแก่สาวกแก่บรรพชิตติดในสาวกในบรรพชิต ตายไปก็เกิดในกายอันต่ำทรามแต่สมณะพรามที่ตรงกันข้ามคือไม่สอนสาวกไม่สอนบรรพชิตตายไปกลับไปเกิดในกายอันประณีดข้าพเจ้าขอบอกกับท่านว่าจงมีความปรารถนาน้อยหาความสุขในปัจจุบันเถิดการไม่บอกเป็นการดีท่านจงอย่าสั่งสอนคนอื่นเลยพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูก่อนมานมีบาปเรารู้จักท่านท่านอย่าสำคัญว่าเราไม่รู้ท่านไม่มุ่งประโยชน์แก่เราจึงกล่าวอย่างนี้ท่านคิดว่าพระสมณโคดมแสดงธรรมแก่ใครผู้นั้นจะพ้นอำนาจแห่งเราสมณะพรามที่กล่าวถึงเหล่านั้นไม่ได้ตรัสรู้เองโดยชอบแต่ปฏิญาณตนว่าตรัสรู้เองโดยชอบส่วนตัวเรา ตรัสรู้โดยชอบจึงป ต, ติญญาว่าตรัสรู้เองโดยชอบจะแสดงธรรมหรือไม่แสดงแก่สาวกทั้งหลายจะแนะนำหรือไม่แนะนำสาวกทั้งหลายตถาคตก็เป็นเช่นนั้นคือไม่ดีไม่ชั่วไปกว่าเดิมทั้งนี้เพราะละอาสวะได้เด็ดขาดแล้วเหมือนตาญอดด้วนไม่ควรงอกขึ้นอีก สำหรับสูตรนี้บ่งชัดถึงคติทางพระพุทธศาสนาที่ถือว่าชั้นพรมยังตกอยู่ในอำนาจมารคือพรมก็ยังติดในฌานซึงจัดเป็นภาวะตันหาหรือวิภาวะตันหามารในที่นี้เมื่อถอดความก็ได้แก่กิเลสมารและอภิสังขารมารถ้าไม่ถอดความก็ได้แก่เทวบุตรมาร พระสูตรที่ห้าสิบมารตตชนียสูตรสูตรว่าด้วยมารถูกคุกคามพระผู้มีพระภาคประทับนับป่าเนื้อชื่อเพสกะลาวันใกล้นครสูงสุมาราคิระแควนพัก ค, คะสมัยนั้นพระมหาโมคลานะจงกรมในที่แจ้งมารเข้าไปในท้องเข้าไปในไส้ใหญ่ของพระเทระ พระเทระรู้สึกหนักหนักจึงนั่งพิจารณาดูก็ทราบจึงไล่ให้มานออกมานก็ออกมาจากปากยืนพิงบานประตูแห่งบรรณศาลาพระมหาโมคลานะก็กล่าวแสดงความรู้ทันและเล่าประวัติต่างๆซึ่งแสดงว่าองค์ท่านเคยเป็นมานมาแล้วชื่อถูสีมีน้องสาวชื่อกาลีตัวมานที่มาปรากฏนี้ เป็นลูกน้องของนางกาลีจึงนับเป็นหลานของท่านเมื่อรู้ว่าพระเถระรู้จักก็อันตรธานหายไปในที่นั้น